สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูหนึ่งร้อยสามสิบสามอราเอลตอนที่สี่ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากอิสราเอลนะครับในเช้า น, นี้พวกเราก็คือมียี่สิบแปดชีวิตนะครับมีสองท่านที่ป่วยไม่สบายต้องนอนที่โรงแรมยี่สิบแปดชีวิตนั้นก็เดินทางไปที่ภูเขามมกอกร์เพสนะครับ Mount of Olives เราจะเห็นตัวเมืองเยรูซาเล็มทั้งหมดนะครับผมได้ถ่ายรูปแล้วก็ให้พี่น้องดูเราได้เดินตามเส้นทางตามรอยพระบาทพระเยซูที่พระเยซูเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างผู้พิชิตในวันตามฉันดีพี่น้องครับเมื่อยืนอยู่บนยอดเขาเมาก อ, อกเขตเราได้เห็นถึงเยรูซาเลมทั้งหมดครับ แศูนย์กลางของเยอรมนมที่ทุกคนเพ่งความมองนะครับให้ความสนใจก็คือโดมทองโดมทองนั่นเป็นที่ตั้งของสุเหร่านะครับซึ่งสําคัญลําดับที่สามของศาสนาอิสลามนะครับลําดับที่หนึ่งอยู่ที่เมกานะครับลำดับที่สามอยู่ที่เยอรมนีมมุสลิมเชื่อว่าพระพระศาสนาก็คือพระมูฮัมหมัดครับ ได้เฉล็จขึ้นสู่สวรรค์ที่นี่แล้วก็ไปนำเอาอคำพีเอาคัมภีรน์นะครับลงมานี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อของมุสลิมในขณะที่พวกมุสลิม น, นะครับได้โจมตีอิสราเอลในสมัยประมาณอยู่ที่กศ .600 ถึง700ครับก็ได้สร้างสุเหลาขึ้นมาเขาได้สแสวงหาที่ ที่ดีที่สุดในการสร้างสุราที่ดีที่สุดนั้นอยู่บนภูเขาโมริยาครับภูเขาที่อับราฮัมนั้นได้เคยจะถวายอิฐอักให้เป็นเครื่องบูชาต่อมากษาชาปาวิดก็เลือกที่จะเป็นที่ตั้งของพระวิหารและในที่สุดโซโลมอนก็ได้สร้างพระวิหารครับหลังจากที่โซโลมอนได้สร้างพระวิหารนะครับถือว่าเป็นพระวิหารหลังแรกนะครับที่โซโลมอนสร้างมีความสวยงามมาก ต่อมาครับพระวิหารหลังนี้ก็ได้ถูกทาลายนะครับโดยกษัตริย์เนบุคัดเนสซาซึ่งเป็นม้าอาณาจักรบาบิโลนนะครับหลังจากที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยเจ็ดสิบปีในบาบิโลนนะครับอํอนานาจก็ถูกเปลี่ยนมือไปที่อาณาจักรเปอร์เซียครับอาณาจักรเปอร์เซียโดยกษัตริย์ไซรัสก็มีความเมตตากับคนยิวก็เลยอนุญาตให้คนยิวนั้นได้กลับมาสร้างพระวิหารสร้างบ้านสร้างเมืองของตัวเองนะครับ พระวิหารหลังนี้ก็ได้สร้างโดยฝีมือของเซรุบเบลนะครับเซรุบเบลนั้นก็ได้สร้างพระวิหารหลังนี้เป็นหลังที่สองครับเป็นครั้งที่สองที่เดิมครับที่เดิมที่บริเวณที่พระวิหารหลังแรกของโซโมอนสร้างขึ้นนะครับและพระวิหารหลังนั้นก็ทรุดโทรมลงนะครับอันจากกรีกก็เข้ามาแทนที่หลังจากนั้นก็มี อ, อันาจากโรมครับอันจากโรมนั้นก็ มาถึงสมัยยุคของพระเยซูก็คือกษัตริย์เฮโรธมหาราชเฮโรธมหาราชนั้นไม่ใช่เป็นคนโรมครับแต่มีเชื้อสายของคนยิวนะครับเฮโรดมหาราชก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วก็ไปพูดคุยกับอาจารย์พพระโรมนะครับขอให้ตัวเองเนี่ยขอให้แต่งตั้งตัวเองให้มาเป็นผู้ที่ครองยึดคร อ, องอยู่ที่เยรูซาเล็มแล้วก็โดยมีเงื่อนไขสองประกาก็คือ ต้องส่งสวยเสียภาษีนะครับแล้วก็ต้องรักษาให้เกิดความสงบให้ได้กระสับเฮโรดมหาราชนั้นเป็นจอมนักสร้างครับกษัตริย์เฮโรดมหาราชสร้างเมืองซีสอริยานะครับเพื่อถวายซีซ่ากษัตริย์เฮโรดนั้นก็เพื่อที่เอาใจคนอยู่ก็เลยสร้างพระวิหารนะครับขึ้นมาเรียกว่าเป็นการบูรณะพระวิหารก็ก็ใช้ได้นะครับก็ก็เรียกกาย ก็เลยสร้างให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมถือว่าเป็นการสร้างวิหารนะครับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของชาวยิวนะครับวิหารหลังนี้พระเยซูถอดแเนแล้วพระเยซูทรงกันแสงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพระเยซู ร, รู้ว่าหลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่นานนะครับอีกสามสิบกว่าปีก็คือคอสอเจ็ดสิบครับวิหารหลังนี้ก็จะถูกทําลายลงโดยมหามหา จักรวรริของโรมันนะครับหลังจากคอร์โซเจ็ดสิบนั้นก็ถูกทําลายลงถูกเผานะครับไม่มีหินแค่ก้อนเดียวที่จะซ่อนทับกันอยู่ที่นี่นี่เป็นคําพยากรณ์ของพระเยซูขณะที่พระองค์ได้ทรงกันแสงเพื่อกรุงเยลซิมที่นั่นครับเราจะเห็นถึงบทเรียนฝ่ายกิจยากที่นี่ก็คือว่าชนชาติที่พระเจ้าเลือกสรรเมื่อเขาทิ้งพระเจ้าคําสาปแช่งนะครับผลพวงแห่งการทําบากของเขา ผลพวงอย่ากันไม่เชื่อฟังของเขาก็ติดตามเขาไปจนกระทั่งเขาได้กลับใจเสียใหม่ครับในพระเจ้าของพระเจ้าได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าวงจร น, นี้เกิดขึ้นเสมอก็คือการขึ้นของประชาชาติการเจริญรุ่งเรืองและก็การตกต่ำของประชาชาติเมื่อเขาทําบาปเขาเจริญรุ่งเรืองก็ต่อเมื่อเขาเชื่อฟังพระเจ้าครับและเขาตกต่ําก็เมื่อเขาทําความผิดบาป แต่หลังจากที่เขาเสียใจเขากลับใจใหม่พระเจ้าก็เริ่มอวยพรขเขาเขาก็ขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งแต่เมื่ออยู่ในความสุขความสะดวกสบายมาเป็นเวลาหนึ่งระยะหนึ่งแล้วเขาก็เริ่มทิ้งพระเจ้าและเขาก็ตกต่ำลงอีกครั้งหนึ่งแต่เมื่อเขากลับใจใหม่เขาหันกลับมาเชื่อของพระเจ้าเขาก็จะถูกยกขึ้นใหม่เพียงกับวงจ ร, รนี้เป็นวงจ ร, รที่เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าในบทสัตว์อิสรเอีเพียงกับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตของเราทั้งหลายทุกคน เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะครับว่าในขณะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับที่โรงทรงเป็นพระผู้ช่วยที่อยู่ข้างๆเราและอยู่ในเราเพื่อครับชีวิตของเราจะบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นชีวิตของเราเมื่อเราเชื่อพระเจ้านานขึ้นเราจะอยู่ในความเชื่อฟังพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจะมีความบริสุทธิ์จะมีความดีงามติดตามชีวิตของเราไปและที่สําคัญที่สุดก็คือเราเรียกพระเจ้าว่าเป็นพระบิดา ในขณะที่คนยิวนั้นเขาไม่กล้าเรียกเขาไม่มีสิทธิเรียกที่จะเรียกพระเจ้าว่าเป็นอับบาคือพระบิดานะครับนี่คือสิ่งที่เราเรียนรู้เมื่อพระเยซูทรงกัรแสงและทรงเดินลงมาจากภูเขามะกอกเทศนะครับต่อมาเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปในสวนเกศมนเนีครับเราก็เห็นต้นมะกอกนะครับซึ่งเชื่อกันว่ารากเดิมนั้นเกิดขึ้นในสมัยพระเยซู ค, คริสต์มีต้นมะกอกเทศเก่าแก่อยู่แปดต้นนะครับ แล้วเราก็ได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนโบสถ์นา น, นาชาติเขาเรียกว่า church of all n a t i o n นะครับมีก้อนหินใหญ่ที่เชื่อว่าพระเยซูคุกเข่าอธิษฐานก่อนที่ยูดัสจะนำฐานโงมันมาจับตัวพระเยซูนะครับอันนี้คือต้อนตะกอกเพลเราได้เรียนรู้ถึงบทเรียนของการอธิษฐานพระเยซูอธิษฐานว่าถ้าเป็นได้ขอให้จอกนี้เลื่อนพนจากาพระองค์แต่ถ้าจาเป็นเป็นน้ำมัทยหอมโคลง พระมงกุก็ยอมรับและให้น้ําันไทยสําเร็จเพียกนี่คือตัวอย่างคําอธิษฐานของพระเยซูนะครับที่พเปเยซูยอมสิโรราบยอมจํานนต่อ น, น้ำมันไทยของพระเจ้าและแผนการของพระองค์ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันครับหลายในข้างเราทราบว่านี่คือน้ำมันไทยของพระเจ้าแต่ด้วยความอ่อนแอของเนื้อหนังความกลัวหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นทําให้เราไม่กล้าที่จะเดินอยู่ในแผนการเดินอยู่ในทางที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเรา พี่น้องครับอย่าให้สิ่งนี้เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราอธิษฐานตามแบบที่พระเยซูได้ทรงอธิษฐานก็คือถ้าเลื่อนไม่ได้จอกนี้เลื่อนไม่ได้พระผงก็พร้อมพี่จ้ครับพี่น้องครับพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งที่เหมาะสมกับชีวิตของเราเสมอไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความทุกข์ยากลาบากไม่ว่าจะรู้สึกไม่ดีต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะมีความขมขื่นมีความทุกข์ต่อสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าส่งสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในชีวิตของเราพรงทรงทราบว่าเราทนได้ครับและสิ่งที่พรงได้ทรงวางไว้บนบากของเราเรารับได้เสมอนครับนี่คือสิ่งที่เรียนรู้ในชวนเกตเมนีหลังจากนั้นเราก็ไปยังสถานที่แห่งหนึ่งครับเป็นสถานที่เรียกว่าเซนต์ปีเตอร์นะครับโบสถ์เซนต์ปีเตอร์สอินคาริคันตูเซนต์ปีเตอร์ นารเคนตเป็นโบสถ์ที่เปโตนะครับปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขันถึงสามครั้งนะครับเปโตปฏิเสธพระเยซูก่อนไก่ขันสามครั้งนะครับและข้างๆโบสถ์นั้นก็เป็นสถานที่หนึ่งครับที่นักโบราณคดีเขาได้ขุดค้นพบและนักโบราณคดีก็เชื่อว่านี่เป็นบ้านของขายาฟาสมหาปุโรหิตในสมัยที่พระเยซู กำลังจะถูกตึงบนแมกเก น, นนะครับกายภาพนี้บ้านเขานะครับถูกขุดลงไปพบว่ามีรูนึงครับรูนี้จากพื้นบ้านนี้ต่อลงไปนะครับเป็นรูที่ใช้ทิ้งขยะครับเป็นรูที่เขาเชื่อกันว่าพระเยซูนั้นถูกหย่อนลงมาเพื่อที่จะถูกกักตัวไว้และขังเพื่อที่จะนำส่งนะครับเอ่อปีราตต่อไป ขายฟ้าท่นเป็นมหาปโรหิตครับเราจะเห็นว่าบ้านมหาปรหิษนั้นมองขึ้นไปนะครับก็เห็นภู เ, เขาโมริยานะครับมองไปทางซ้ายนะครับก็จะเห็นภูเขาเอภูอเขาซิโอนมองไปทางขวาก็จะเห็นภูเขามะก อ, อกเทศเราเห็นเส้นทางเดินของพระเยซูครับหลังจากที่เปเยซูถูกจับในสวนเกสเทมเนระเยซูถูกส่งตัวมาที่ บ้านของขยับพาสมหาปุโรหิตเพื่อที่จะสอบสวนนะครับเป็นเส้นทางเป็นบันไดโบราณในสมัยโรมครับยังอยู่สองพันปีแล้วนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีครับเราเห็นครับและเราก็ได้ลงไปในหลุมที่เขาคาดว่าเป็นหลุมที่น่าจะนะครับใช้คาว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ที่พระเยซูจะอยู่ในหลุมใดหลุมหนึ่งพี่น้องครับเราได้มีโอกาสไปอ่านข้อเจาะหน้าของพระเจ้า ในสรุดีบทที่88นะครับสิ่งที่ผมประทับใจขณะที่อยู่ในหลุมหรืออยู่ในห้องนะครับสี่เหลี่ยมนะก็คือบทเพลงสรุปดี88นะครับตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบแปดอจะให้พี่น้องได้มีโอกาสเปิดอ่านนะครับแต่ข้อที่ประทับใจก็คือว่าเป็นข้อที่พระเยซูได้ทรงใช้ขณะที่โรงอยู่บนไม้กางเขนครับโร่งชงร้องนะครับว่าทไหนพระบิดา ส่งทอดทิ้งคาโพรงเสียพี่น้องครับเมื่ออ่านมาถึงตอนนี้จิตใจผมรู้สึกสะเทือนใจมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่พระเยซูได้ส่งยอมที่จะตายบนม้นเขน็นยอมที่จะถูกระจากพระบิดาเป็นการชั่วคราวเป็นเพียงเชี่ยววินาทีหนึ่งในจักรภพเป็นเชี่ยวี่วินาทีหนึ่งตั้งแต่นิรันดร์การถึงนิรันดร์การ ปเยซูไม่เคยถูกแยกจากพระบิดาเลยเพราะพระองค์นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระบิดาแต่บนแม่ยังเค้นโดยเหตุที่พระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงช่วยเหลือเราพระองค์ทรงยอมเสียส่วนเพื่อเราวินาทีและเชี่ยววิทีแเองพระเจ้าพระบิดาได้ทรงทอดทิ้งพระองค์แล้วเพราะเหตุพรงทรงแบกบาปของเราเพี่ยงครับเมื่อถึงจุดนี้ทําให้ร้ายได้มีจากที่ใช่ควรภาวนาครับ เพื่อที่เราจะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเยซูหากพระองค์ไม่ได้เสด็จมาในโลกนี้แล้วเราคงไม่มีโอกาสที่จะมีวันนี้ได้เราคงไม่มีโอกาสที่จะเรียกพระเยซูว่าเป็นสหายเราคงไม่มีโอกาสที่จะเรียกพระบิดาว่าเป็นพระเจ้าพระบิดาค่าแต่พระบิดาบนสวรรค์เราไม่คงไม่มีโอกาสที่จะทิศฐานคำเหล่านี้ครับพี่น้องครับอยากจะให้เหตุการณ์ที่ผมได้ประสบนั้น จะเป็นเหตุการณ์ที่พี่น้องจะได้เข้าถึงฝ่ายจิตวิญญาณด้วยให้เราเห็นถึงบนไม้กางเขนที่พเยซูถูกตรึงนะครับเราได้มีโอกาสไปที่การ์เดนทูมนะครับซึ่งเป็น เ, เรียกว่าเป็นสวนนะครับที่เชื่อว่าพระเยซูถูกตรึงไม้กางเขนที่นี่นะครับเราได้มีโอกาสรับพิธีมหาเซ่นศักดิ์สิด้วยกันเราได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยกันเราได้มีโอกาสร้องเพลง104ของคิวบิเซียนไม้กางเขนโบราณด้วยกัน ขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับวันนี้ที่ได้ให้พวกเราซึ่งเป็นศริบาลในเครือสมาธิจัดในประเทศไทยของหน่วยงานศรีบาลได้มีโอกาสเที่ยวสัมผัสถึงบรรยากาศฝ่ายจิตวิญญาณและเข้าถึงการชิ้นพระชนของพระเยซูขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับที่จะมีโอกาสได้ควรโภชนะของพระเจ้าในเจริญดีบทที่88นะครับเจริญดีบทที่88ขอพระเจ้าช่วยเราแล้เสริมกําลังพี่น้องที่รทุกท่าน อาเมน